4. ีพระเจ้าริบความเป็นอิสระของมนุษย์หมดสิน้นอาตมาขออนุญาตบรรยายและวิจัยต่อไปเถิดนะดังนั้นเมื่อชาวเทวนิยมที่นับถือพระเจ้าพระพรหมหรือพระเจ้าในชื่ออื่นอีกมากมายที่เห็นอย่างแน่มั่นว่า พระเจ้าบรรดาลหรือสร้างและกรรมกับบงการทุกสรรพสิ่งดังกล่าวนั้นเหตุนิทานนิยายเรื่องราวสมุทัยปัจจัยทั้งหลายจึงละล้วนเป็นหน้าที่ของพระเจ้ากำหนดทั้งหมดทั้งสิ้น นิยายของโลกหรือเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนใครๆในโลกจึงหมดสิทธิ์ที่จะแปรเปลี่ยนชีวิตตนให้เป็นอื่นจากพระประสงค์ของพระเจ้าได้ไม่ว่าอำนาจอะไราทั้งนั้นในมหาจักรวาลแม้แต่อำนาจของตนเองก็หมดสิทธิ์ เพราะอำนาจเป็นของพระเจ้าแต่ผู้เดียวเสียแล้วไม่มีใครล่วงล้ำแทรกแซงอำนาจนี้ได้เลยเด็ดขาดแม้แต่น้อยนิดเหตุทำให้เกิดนิยายของโลกที่จะไขความเป็นมนุษย์จึงลึกลับที่สุด ไม่มีใครบังอาจเข้าไปล่วงรู้ในหัวใจพระเจ้าและไม่มีใครบังอาจแก้ไขปรับปรุงหรือแปรเปลี่ยนเป็นอื่นไปได้เลยด้วยอำนาจใดๆไม่ว่าอำนาจโลกหรืออำนาจนอกตัวเราโลกาทิปไตย หรืออำนาจตนเองหรืออำนาจในตัวตนอตาตมาธิปจัยเพราะทั้งเหตุก็ดีสมุทัยก็ดีปัจจัยก็ดีล้วนตกอยู่ในอำนาจของพระเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นนิยายของโลกและของแต่ละคนจึงเป็นพรหมลิขิต เพราะเชื่อถือกันแน่วแน่สนิทใจมั่นจริงว่าพระเจ้าเท่านั้นคือผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่กุมความลึกและความลับนั้นไว้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่มากที่เชื่อว่าพระเจ้าสิ่งลึกลับที่สุดเป็นผู้ควบคุมวงการ อำนาจหรืออาธิปไตยเป็นของพระเจ้าหมดสิน้นอิสระในความเป็นคนจึงเป็นของพระเจ้าสิ้นหมดมนุษย์ทุกคนจึงหมดสิทธิ์ในความเป็นตัวเองหรือในตัวตนอัตตาสิ้นสนิทพระเจ้ากลุ่มอำนาจไว้หมดแล้วผู้ยังอวิชชาในพระเจ้า จึงตกอยู่ในอำนาจของพระเจ้า